รู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่33พุทโธสู้กับอารมณ์ช่างฝันไหวไหมกรณีเฉพาะตนของพึ่งอาชีพเรียนปริญญาโทสาขาวิศวกรรมลักษณะางานที่ทำต้องใช้ความคิดต้องแข่งขัน คำถามแรกศึกษาวิธีเจริญสติด้วยตนเองจากหนังสือแต่ดิฉันจะเป็นคนชอบคิดเพ้อฝันมากๆขนาที่พูดคนเดียวทั้งวันได้เรียกว่าเป็นคนมีโมหะสูงไหมที่ผ่านมาจะเอาอารมณ์ช่างฝนันเป็นเป้าหมายในการระลึกรู้คือรู้ตัวว่าคิดไปแล้วนะแต่ติดปัญหาตรงที่จะหลงไปนานมากกว่าจะกลับมารู้ตัวอีกทีหลังๆเลยเริ่มบริกรรมพุโทโธในใจไปด้วยแต่ก็เกิดปัญหาอีก คือรู้สึกว่าพุทโธรกรุงรังบริกรรมแล้วอึดอัดไม่สบายตัวเลยไม่ทราบจะทำอย่างไรดีเหมือนกันถ้าเป็นคนช่างฝันมากๆเนี่ยจะเน้นไปในทางการมีราคะหรือโลภะสูงคือจิตล่องลอยไปยึดมโนภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาส่วนอาการที่จิตถูกโมหะครอบคลุมมากๆนั้น เราจะมุ่งไปในทางที่จิตหดหูซึมเศร้าคล้ายมีฝ้าหมอกลงปกคลุมจนทำให้ความรู้สึกมืดมืดมนมนหรือรับรู้อะไรได้ไม่ชัดหรือเห็นผิดเป็นชอบหรือสำคัญตนผิดจากความเป็นจริงอย่างแรงข้างต้นนั้นแยกแยะให้ดูครับคนคนหนึ่งมีทั้งโลภะโทสะโมหะครบกันทั่วหน้านั่นแหละแต่จะเน้นด้านไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตถูกตั้งไว้อย่างไร สำหรับคุณนี้ถ้าเอาตามที่เล่ามาก็ต้องบอกว่าต้องทำงานในลักษณะที่ยืนพื้นอยู่บนความจริงอันเกิดจากการคำนวณคำถามคำตอบทางตัวเลขเป็นเรื่องที่ฝันเอาไม่ได้นึกโมเมคาดคเนไม่ได้ทุกอย่างต้องยืนพื้นอยู่บนหลักฐานและข้อมูลประกอบฉะนั้นยามทำงานจึงต้องเข้าโหมดคิดจริงจังจนถึงจุดที่จิตแข็งกระด้างได้ ยามว่างจากงานหรือการเรียนจิตของคุณจะเข้าอีกโหมดหนึ่งเป็นอิสระไม่ต้องอ้างอิงหลักฐานและข้อมูลประกอบในโลกความเป็นจริงหัวใจชอบอะไรก็คิดปรุงแต่งไปได้เรื่อยตามนั้นสมองปิดการทำงานไว้ชั่วคราวก่อนซึ่งคิดแบบนี้ในที่สุดก็ถึงจุดที่จิตอ่อนยวบยาบไม่อาจทำตัวเป็นที่ตั้งของความจริงใดๆไ ด, ไ ด, ได้การพูดคนเดียวทั้งวันได้นั้นบ่งบอกว่า คุณหาทางระบายฝันด้วยวิธีพูดการพูดไปเรื่อยๆจะทำให้จิตแสสายฟุ้งกระจายเข้าข่ายเพรสเจอร์ได้ง่ายเนื่องจากสมองไม่จำเป็นต้องเรียบเรียงประโยคคำพูดให้ได้ใจความชัดเจนไม่จำเป็นต้องมีต้นมีปลายไม่จำเป็นต้องฟังแล้วเข้าใจแค่มีแรงขับดันให้พูดก็พอแล้วผมอยากให้เปลี่ยนความเคยชินทานองนี้ อาจพกพาโน้ตบุ๊กเล็กๆสักตัวชนิดที่เปิดขึ้นมาขีดเขียนใส่โปรแก ร, รม o ว d อย่างรวดเร็วหรือไม่ก็ใช้สมุดเล่มเล็กกับปากกาซึ่งยังนับว่าทันสมัยและสะดวกกว่าเครื่องมืออื่นใดพอรู้สึกตัวว่าอยากพูดระบายความฝันแทนการพูดออกปากให้ลงมือเขียนลงไปอนุญาตตัวเองให้ปรุงแต่งข้อความสอดคล้องกับคำในหัวได้สาระสาคัญคือขอให้เขียนอย่างน้อยหนึ่งย่อหน้า มีการเกลื่อนนามีใจความที่อ่านรู้เรื่องและมีจุดสรุปชัดเจนตรงนี้จะช่วยกั้นไม่ให้จิตฟุ้งกระจายกระเจิดกระเจิงไร้ระเบียบอย่างที่ผ่านๆมาเอาแค่ทําอย่างนี้นะครับจะดีกว่าการพยายามระลึกรู้ว่าคิดไปแล้วหลงจินตนาการสร้างฝันไปแล้วที่สําคัญคือหลังจากฝึกสักพักถึงแม้สมุดปากกาไม่อยู่ในมือคุณก็จะรู้สึกว่า ความคิดอ่านมีความเป็นตัวเป็นตนให้สติจับต้องได้ชัดเจนขึ้นไม่ใช่แค่รู้สึกว่ารู้แบบผ่านๆ ผ, ผ, ผิวๆดังเคยคำถามที่สองถ้าที่ทำอยู่นี้เป็นการเริ่มต้นที่ไม่ถูกทางควรทำอย่างไรดี ผู้หญิงเลือกเรียนวิศวกรรมไม่น่าจะมีใครบังคับให้เรียนเว้นแต่คุณพ่อเป็นวิศวกรและอยากให้ลูกจเจริญรอยตามตนมากๆจนอยากชี้นําเมื่อเห็นลูกสาวมีหัวคํานวณอยู่บ้างโดยทั่วไปจะเป็นความสมัครใจชอบใจเองมากกว่าอย่างอื่นผู้หญิงช่างฝันที่เรียนวิศวกรรมแถมต้องไปแข่งขันกับวิศวกรอื่นๆ อ, อย่างรุนแรงนี่นะครับเท่าที่เห็นมาจะมีความขัดแย้งในตัวเองอยู่สูงเหมือนคนสองบุคลิก เข้าใจยากและแม้แต่อารมณ์ที่เปลี่ยนไปเจ้าตัวก็ยังตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจตนเองเลยถ้ามองโดยรวมคุณจะมีภาวะของจิตแบบเครียดแน่นกับลอยหายสลับกันบางครั้งเหมือนคนชอบใจจะถูกดูดให้ติดอยู่กับงานแต่บางคราวก็เหมือนจิตจะพยายามหาทางหนีออกไปจากโลกที่เคร่งเครียดและเต็มไปด้วยการแข่งขันอันแข็งกระด้างเย็นชาไปสู่โลกที่นุ่มนวลละมุน ล, ละไมอบอุ่น และเหมือนอาแขนยินดีต้อนรับคุณอยู่เสมอบริการพุโทโธเอาไม่อยู่หรอกครับและความคิดพุดโทโธก็ขัดแย้งกับความคิดฝันเพราะพุทธโธเป็นคำตายตัวส่วนความคิดฝันไม่มีขีดจำกัดจะให้เกิดภาพหรือคำใ ด, ดในหัวก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นคนเคยเป็นอิสระอยากวิ่งเล่นไปทางไหนก็ได้คงไม่ชอบหรอก ที่จะให้ใครบังคับว่าต้องเดินช้าๆบนทางตรงสั้นๆที่คับแคบจากัดทางที่ดีคือดูช่วงสุดโต่งของภาวะทางจิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำนั่นแหละครับพอเครียดมากจนตึงขมับหรือรู้สึกเป็นก้อนขึ้นมาข้างในก็รู้ว่าอย่างนี้กายใจอยู่ในภาวะเครียดแล้วนะและพอเมื่อลอยจนกายปวกเปียกและใจเสื่องซึมก็รู้ว่าอย่างเนี้ย กายใจอยู่ในภาวะเหมือ่ลอยแล้วนะรู้แบบให้เห็นไม่ใช่รู้แบบอยากไปเปลี่ยนมันจากที่กําลังเป็นอยู่จริงๆค่อยๆเปรียบเทียบจากจุดยอดของสองขั้วความต่างซึ่งน่าจะเกิดขึ้นทุกวันวันละหลายรอบคุณจะเห็นชัดถนัดว่าที่เรียกภาวะทางกายใจมีลักษณะเป็นต่างๆผิดแผกกันได้อย่างนี้เองจากนั้นถึงค่อยสังเกตลงมาในรายละเอียดครับ ดูให้เห็นว่าตอนเครียดหน่อยๆ่อหรือตอนซึมหน่อยๆ่อมันมีความต่างไปอย่างไรจากช่วงเครียดสุดกับเมื่อสุดพอเห็นความต่างได้บ่อยๆคุณจะรู้สึกเหมือนสติแยกออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเริ่มจากทีละนิดทีละหน่อยแล้วบ่อยขึ้นเรื่อยๆกระทั่งรู้สึกว่าภาวะทั้งหลายไม่ใช่เรื่องของคุณแต่เป็นเรื่องของกายใจซึ่งมีคุณเฝ้าดูอยู่ห่างๆเท่านั้นนั่นแหละครับ เริ่มเข้าทางการเจริญสติอย่างดีแล้วเจริญสติในแนวทางนี้เฉพาะคนมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับและถ้าคิดว่าทำแค่วันสองวันจะได้ผลก็ขอบอกเลยว่าไม่มีทางของอย่างนี้ต้องทำจนกว่าจะเป็นนิสัยติดตัวอย่าเป็นนับว่ากี่วันกี่เดือนขอให้พอใจจะทำเรื่อยไป แล้วความฟุ้งซ่านจะลดลงเป็นคนละคนในเวลาไม่นานเกินรอครับอดิ น, นททอททท่ีววความโดยดังตริน<ป>จากวิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่51เสียงอ่านโดยโจโฉ ให้ดีสุดแรงใจถ้าจะล้น้ำตาแค่เพียงบทเรียนเพื่อก้าวไปถึงจะแพ้ใครชนะใจตัวเองก็พอ